ที่เข้าใจตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจผู้อื่นได้ท่านอาจารย์วศินอินทศระการศึกษาทุกวันนี้เราเนี่ยเปิดประเทศ รับอะไรแต่อะไรมาจากต่างประเทศมากมายมากมายเลยจนเราไม่รู้จักตัวเองนะคะคจนลืมภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยเราเองเราเนี่ยเปิดประเทศแต่ว่าปิดปัญญาไม่ทราบคุณหมอพอนึกออกไหมคะคํคานี้ก็คมมากนะคะคให้ความรักก่อนที่จะให้ความรู้นี่ก็ฟังทีไรนะั้นมันเป็นคาําพูดที่กระแทกใจตัวเองมากเลยคะ่ะครับเวลาที่เราจะทําอะไรกับใครเนี่ยเรามักจะ อ, อยากให้ได้อย่างใจเรา แล้วพอไม่ได้อย่างใจเราแล้วเนี่ยความรักมันหายนะคะมันมีแต่ความต้องการนะคะครับเราต้องการจะให้ได้อย่างใจเราเสมอเวลาเราจะทําอะไรต่ออะไรนะคะ <c oughs> แต่เราลืมไปว่าสิ่งที่สําคัญมากเลยเนี่ยการที่เราจะทําอะไรให้ได้อย่างใจเราเนี่ยจําเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าลูกน้องหรือใครที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยนะคะแล้วการที่เราจะได้รับความร่วมมือตรงนั้นเนี่ย มันต้องมีความรักเป็นตัวเชื่อมโยงนะคะคถ้าไม่มีความรักเป็นตัวเชื่อมโยงมีแต่คําสั่งมีแต่คําบงการหรือความต้องการหรือเป้าประสงค์อะไรเงี้ยมันพอไหมคะไม่พอนะคะครับไม่พอที่ใช้งานออกมาดีได้หรือให้ปัญหาคลี่คลายไปนในทางที่ดีได้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่ามีความแปลกแยกมีความรู้สึกว่า ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตัวออกภัเนี่ยมันสังเกตว่าเกิดจากการที่มันไม่มีตัวเชื่อมประสานคะนะครับไม่มีตัวเชื่อมประสานไม่ว่าระดับเล็กที่สุดก็คือระดับครอบครัวนะระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้แต่คนในชุมชนคนในประเทศ ตัวเชื่อมประสานเนี่ยจะมันสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนสื่อที่เราต้องการถ่ายทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับกันเนี่ยอไอ้ตัวเชื่อมภาษนาเนี่ยจริงๆก็คือความรักความเมตตานะครับความรักความเมตตาหรือว่าความสนิทสนมนะฮะความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสื่อในการที่จะประสานชีวิตโดยเฉพาะก็คือจิตใจของคนเราเนี่ยเข้าเข้าหากั น, นเหมือนอย่างนัน ครจะสอนนักเรียนอย่างเงี้ยนะหรือว่าพ่อแม่จะสอนลูกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มันได้กับตัวเองด้วยนะฮะถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเด็กน ะ, ะไม่สนิทสนองกับเด็กเด็กไม่ไว้ใจเราเนี่ยเราจะสอนเขาแต่วิชาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใจหรือว่าสื่ อ, ส, อสารเรื่องราวไปนในจิตใจของอเราสอนใจ<ม>เขาไม่ได้ว่างเงินเถอะสอนได้แต่วิชาความรู้ะนะคะ ดังนความรักที่พูดถึงกันเนี่ยแน่นอนว่ามันมันคงไม่ใช่ความรักที่เรียกว่าเป็นความรักแบบชู้สาวหรือว่าแบบการาคะอะไรพวกนั้นะนะครับมันคงก็เป็นความรักอีกแบบหนึ่งเป็นรักเมตตานะคะครับเป็นรักที่เกิดขึ้นจากการที่ว่าเรามีความเข้าอกเข้าใจหรือว่ามีความปรารถนาดีมีความ เ, เมตตาอย่างที่ว่าค่ะไม่ใช่ว่า รักแล้วต้องการยึดถือเข้ามาไอ้ น, นี่เขาเรียกว่าหลงรักใช่หลงรักซึ่งไอ้หลงรักแบบนี้เนี่ยอันตรายทําเรื่องไว้เยอะแล้วค่ะครับเราหลงรักเสร็จุ๊บเนี่ยเราก็ทำอะไรไปตามความหลงเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความหลงเนี่ยมันก็ผ่าไปได้สู่ความ <c oughs> ทุกข์อยู่แล้ว <c oughs> ชื่อมันก็บอกครับ <c oughs> นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรารักคนอื่นได้อย่างจริงใจเนี่ยก็คือเราต้องเห็นก่อนว่า ชีวิตทุกคนเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยฮะถ้าเราไม่สามารถที่จะรักตัวเราเองได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยยังหลงรักตัวเองอยู่เราก็ต้องหลงรักคนอื่นเหมือนกันนะฮะตรงนี้สําคัญมากนะครับบางทีเราจะทําใจที่จะรักคนอื่นนะบอกว่าเขาสอนก็นว่าให้รักกันให้มากๆอะไรเงี้ยสมานฉันกันไว้อะไรเงี้ยนะหรือว่าเราต้องรักคนอื่นความรักมันสิ่งที่ดีเราต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่า เราไม่เคยรักตัวเราเองจริงๆอย่างแท้จริงเนะฮะด้วยสติปัญญาค่ะซึ่งมันคงเป็นความรักที่ปลอมๆนะเป็นความรักอุปโลกแลวก็เป็นความรักที่เกิดจากความคิดถามว่าดีไหมมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าพอจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหลงกลความหลงในตัวเองอีกทีหนึ่งฮะค่ะดังนั้นผมเข้าใจว่าการที่เราจะมีความรักตัวเองได้อย่างแท้จริงเนี่ยเราต้องรู้จัก ตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะเราต้องรู้จักความเป็นจริงของชีวิตของเรา mm hmm. เราจึงจะรักตัวเองอย่างถูกต้องหรือว่าใช้ตัวเองเป็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับตัวเองได้อย่างถูกต้องซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นภาพที่เล็กที่สุดที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะส่งความรักหรือให้ความรักกับคนอื่นในลักษณะหรือว่าพฤติกรรมเดียวกันแน่นอนว่ามันคงเป็นไปอ ย, อย่างอื่นไม่ได้ที่จะทําให้เรารู้จักตัวเราเองตามความเป็นจริงแล้วก็มีความรักตัวเองอย่างถูกต้องเนี่ย ก็คือต้องเป็นการที่ต้องรู้ความจริงก็คือต้องใช้การเจริญสตินี่แหละครั บ, รบการตามรู้ตามดูพฤติกรรมของกายของจิตของเราเนี่ยให้ต่อเนื่องจงกนกระทั่งเรารู้ความจริงให้มากที่สุดเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะรักตัวเองอย่างถูกต้องไม่เป็นความรักที่เรียกว่าหลงรักไม่ได้เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ในตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะสืบเนื่องกันไปกับการที่เราจะเป็นรักคนอื่นไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีลูกเพื่อนญาติน้องพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นความจริงจากภายในของเราเนี่ยก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะส่วนการที่เราจะไปวางคิดวางใจว่าเราต้องรักคนอื่นหน้าอะไรนะเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่า เรานับถือศาสนาไหนนะภาษาคดาเราให้สอนว่าให้รักอย่างศาสนาคริสอย่างนี้นะอสอนให้รักคนอื่นนะมีความรักกันให้มากเนี่ยดีนะครับเป็นความรักที่ทําให้เกิดมีความสงบสุขได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังต้องมีความไม่รู้เรื่องของชีวิตของตัวเองเรื่องของกายของจิตเนี่ยความยึดถือในเชิงลึกๆเนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับ มันก็จะมีปัญหาระยะยาวก็ตรงจุดนี้ครับที่สิงนะช่วงปีใหม่นี้ก็ต้องชวนมาค้นหาความจริงของชีวิตกันให้มากขึ้นนะตัวะะปีสองห้าห้าศูนย์นี่ก็เป็นปีมาหามงคลอย่างว่าครบรอบในหลวงมีประชาชนอายุแปดสิบพรรษาใช่ไหมัะ น, น, น, น่าจะเป็นปีสี่มงคลอีกปีหนึ่งนะเราก็โหนกระแส ผลกระแสเลยนะคะครับโดยการใช้เวลาชีวิตในปีพุทธศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้ครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวของเราเองมากขึ้นครับรักตัวของเราเองมากขึ้นและเมื่อเรารักตัวเราเองเป็นอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงใช่ไหมคะคุณหมอแน่นอนในปรเด็นสิ่งที่ผมว่าใชว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นน ะ, ะอาศัยผลกระแสของความเป็น ลูกของในหลวงของพ่อหลวงของเราเนี่ยมาเป็นลูกที่มีความกระตันอยู่โดยการเอาโอกาสอันนี้นะครับมาศึกษาตัวเองมาศึกษาตัวเองเมื่อเห็นความจริง เ, ยเอย่างที่พี่สินีนาว่านะครับมันจะส่งผลเป็นคลื่นเปนละลอกมีผลมากครับพี่สินีนะค่ะเพื่อนของเราก็คงจะได้ยินพร้อมๆกันแล้วนะค ะ, ะจะมาช่วยกันโหนกระแสด้วยกันไหมล่ะคะ มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมาผูกเข้ากับการโหนกระแสตรงนี้ได้ดีมากอะคะ่ะเราบอกว่าเราอยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อหลวงของเราใช่ไหมคะก็พ่อหลวงของเราเนี่ยท่านมีพระราชประสงค์อยู่เรื่องหนึ่งละคะคุณหมอคื อ, อท่านอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยรักกันค่ะจากการที่ท่านครองราชมายาวนานเนี่ยนะคะท่านก็คงจะเห็นด้วยสายตาพระเนตรพระกันของ ท่านเองอะนะคะว่าคนไทยอาจจะยังรักกันน้อยไปนิดนึงนะคะก็เลยมีรักกันน้อยลงมั้งฮะรักกันน้อยลงทุกวันแล้วเปล่าคะครับไม่ร้ว่าน้อยนิดนึงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันน้อยลงแน่ๆอ่ะค่ะคื อ, ค, อคือดิฉันเองเนี่ยมองว่าคนไทยเรารักกันน้อยไปนิดนึงนะค ะ, คะแต่คุณหมอมองว่าคนไทยรักกันน้อยลงจริงๆแล้วคงไม่ใช่เฉพาะคนไทยหรอกคะ่ะที่ควรจะรักกันนะคะในหลักทางพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยเนี่ยเราต่างก็เกิดมาร่วมโลกใบเดียวกันเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นนะคะครับแต่ทำไมคนไทยถึงต้องรักกันเอ๊ะคุณหมอต้องเฉลยแล้วล่ะค่ะจริงๆเราต้องมาดูก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งขัดขวางหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่สร้างทาให้เกิดความไม่รักกันนะฮะค่ ะ, คะไอตัวปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ทาให้คนห่างเหินออกจากกันรว่าเกิดความไม่รัก กันไม่เข้าใจกันเนี่ยก็คือตัวกิเลสปัญหาอุปาทานแจะว่ากันโดยความความเป็นจริงเนี่ยนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นตอ่อเราจะบอกให้คนอื่นรู้รักรักกันให้มากเนี่ยแล้วเราไม่ไปแก้ที่ต้นตอ่อถือว่าไม่มีทางสําเร็จนะครับมันจะเป็นแต่การกลบเกลื่อนมแกเปัญห า, าที่ไรเหตุนะคะฮ ะ, ะมันเป็นแต่การที่ใส่หน้ากากหลอกข้อหากันเท่านั้น มันจะไม่มีความรักที่เป็นความจริงใจไม่ใช่เป็นความรัก ท, ที่เป็นความเมตตาหรืออาทรต่อกันอย่างแท้จริงคงเพียงแต่ว่าผลประโยชน์มันลงตัวกันมันก็เลยรักกันนะครับเป็นคําพูดที่ดีจรงเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่จัดการให้ตัวขัดขวางค่ะเหมือนกับวัตถุสองอย่างที่มันมาวางอยู่ใกล้กันที่เราต้องการให้มันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแต่เราเอาวัตถุอะไรที่มัน ไม่สามารถที่เชื่อมกันได้ไปวางไว้เนี่ยมันไม่มีทางเชื่อมกันได้ค่ะสมมติเป็นเหล็กก็อาต้องเป็นอะไรตะกัวหรืออะไรอย่างต่างเนี่ยไปเชื่อมให้มันติดกันให้ตัวนี้สําคัญจิตใจคนตอนขนาดนี้เนี่ยมันมีแต่กิเลสตัณหาอุปาทานมีความเห็นแก่ตัวมีแต่ความโกรธความโลภความหลงเชื่อมเป็นเหมือนกับเครื่องขวางอยู่ค่ะนะงั้นพอมาจะเอาใจดวงใจสองคนดวงจิตสองคนมาแตะกันเนี่ยมันถีบใส่กันนะ มันไม่รักกันจริงหรือถ้ามันรักกันจริงมันก็รักแบบหลงอย่างว่าแบบรักแบบของกูพวกไม่เป็นใช่ไหมคะใช่ฮะค่ะรักแบบพวกกูของกูจะเป็นพวกมึงของมึงกูก็ต่อต้านสุดฤทธิ์สุดเดชน ะ, ะทั้งนองเนี้ยงั้นไอตัวขัดขวางตรงนี้จุดนี้สําคัญนะถ้าเราไม่ได้รณรงค์ให้คนในชาติของเราเนี่ยมันเป็นคนมีศีลมีธรรมนะครับผมว่าอีกกี่ชาติมันก็ไม่มีทางพี่ครมีความสม า, านฉันน์เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงนะ ฉันสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะคนละไม้และคนละมือใครทําอะไรได้ก็ทํานะครับชวนคนทาบุญชวนคนถือศีลชวนคนภาวนาเนี่ยเราต้องช่วยกันตรงนี้เพราะว่าความร่มเสียหายและความเสียหายหรือว่าความขอภัยนะฉีดหายของโรกที่มันด้เกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเราเองที่เป็นคนปฏิบัติธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับค่ะใช่เราก็ได้รับไปด้วย การที่เราช่วยกันให้คนทําความดีเนี่ยเกิดความเย็นเกิดความอบอุ่นเกิดความผ่อนคลายเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราเนี่ยผมว่ามันก็มีผลนะฮะถ้าประเทศชาติบ้านเมืองมันไม่สงบเนี่ยเราจะไปนั่งหลับตาภาวนาอยู่ที่ไหนมันก็คงจะหาโอกาสอย่างนั้นได้ยากเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะครับใครทําอะไรได้ก็ทําทําตามกําลังของเราเพื่อให้ สังคมรอบตัวเราเนี่ยวัฒนาไปสู่ความดีงามสงบสันติสุขให้ได้นะคะค่ะแม้นว่าจะเกินกําลังแต่ถ้าเราช่วยกันนะคะความหวังก็ยังพอมีนะคะคุณหมอมีครับค่ะครับเพียงแต่ว่าในขณะที่เราช่วยเนี่ยนะเราก็อย่าลงช่วยแล้วกันค่ะช่วยอย่างช่วยให้เป็นนะคะช่วยให้เป็นให้มีสติปัญญาในการช่วยไอ้คนติดดีไปช่วยบางทีมันก็อย่างว่านะคะับพี่จีนะ่าเป็นทุกข์กันไปใช่ค่ะเรามีความ การุณาต่อคนอื่นเนี่ยอยากให้คนอื่นทำดีพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยแต่พอก็ไม่ทำหรือว่าไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเนียกับไปโกเป็นหงุดหงิดไปโมโหไปแสดงท่าทางดูถูกเหยียดหยามในใจนะแม้ว่าจะไม่ออกข้างนอกเนี่ยก็ไปดูท่าทางเหยียดเหยียดดูแคลนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันก็ไปอีกแบบหนึ่งนะพี่เสียง เพราะฉะนั้นอนอกจากเราจะโหนกระแสรักในหลวงโดยการใส่เสื้อเหลืองกันเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างทุกวันนี้นะคะคช่วยโหนกระแสอีกสักอย่างนะคะ่ะนะคะบารักกันให้มากขึ้นนะคะคเพราะว่าแหลา่ารอบตัวของพวกเรากันแล้วเนี่ยรู้สึกคล้ายกับว่าคนไทยเราทุกวันนี้รักกันน้อยไปนะคะแล้วเราจะรู้รักสามัคคีได้ยังไงถ้าเรายังรักตัวเองไม่เต็ม เราก็คงจะรักคนอื่นได้ลำบากนะคะ